สำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องย้ำว่าทุกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทุกนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละพอถ้าเรารู้ทุกแล้วนี่เราก็จะสาวไปถึงตัวต้นเหตุหรือสมุทยได้ถ้าไปละมันเสแล้วหรือไปขจัดมันเส้นแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสาวไปถึงตัวตัวสมุทัยได้ยังไง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 คือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความลำลายลาพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นต้นอันนี้มันเป็นการรู้ด้วยความคิดคือท่องจําเอาก็ยังได้หรือว่าเป็นสัญญาก็ได้แต่ว่ารู้ในแง่ที่ลึกลงไปคือว่ารู้ทุกเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อทุกเกิดขึ้นกับเราก็รู้ทันทีไม่ใช่ไปจมอยู่กับความทุกข์จนหลง ถูกความทุกข์ชักลากพาไปโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธเจียว ก, ก็ยังไม่รู้ว่าเครียดเพราะว่ามันไปกดไออาการเหล่านั้นพอเข้าไปในความทุกข์แล้วมันเข้าไปกดไอความไม่รู้ตัวไว้เมื่อได้ที่โกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธเมื่อใดที่เครียดก็รู้ว่าเครียดอันนั้นแหละมันก็ถูกทางแล้วอันนี้ลึกลงไปก่อนนั้นหรือว่าละเอียดลงไปก่อนนั้นก็คือรู้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 ถ้าใช้สติเฝ้าดูโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เสียเองก็จะเห็นได้เป็นลำดับหรือชัดขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกแต่ว่ากายกับใจหรือว่าขันตั้งห้าต่งางๆที่ทุกความทุกมันเกิดขึ้นกับขันตั้งห้าไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอันนี้หลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าเป็นการถลุงถลุงก็คือแยกแยะคนทั่วๆไป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 เราก็จะทุกเลยเช่นปฏิบัติแล้วเกิดสงบขึ้นมาเกิดความปร่งโรงขึ้นมาแล้วเราไปยึดว่าอย่างนี้แหละปฏิบัติต้องอย่างนี้แหละแล้วพอวันต่อมาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกเลยว่าทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นทำเท่าไหร่ทำไหรก็ไม่เกิดก็เพราะพยายามทำ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 พอคุบเข้าไปไอเบ็ดนั่นมันก็มาแทงปากปลาทันทีเพราะว่าไปหุบหรือไปงับอย่างไม่มีสติก็ว่าได้คืลืมลืมหูลื ม, ลมตามงับนะมันก็เลยโดนเบ็ดมันแทงเอาทุกที่แฝงอยู่ในสุขก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเราไปเพลิดเพลินยินดีกับอะไรก็ตามก็เตรียมใจทุกไว้ได้เลย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 แต่ความอร่อยมันหายไปละก็ค่อยหายไปกลายเป็นความเฉยๆแล้วกลายเป็นความเบื่อ้จากความเบื่อกลายเป็นความเอียนจากความเอียนในสุดก็อาจเจียนออกมาอยากจะอ้วกเพราะมันซ้ำซากจำเจอันนี้แหละเรียกว่าทุกข์ที่มันแฝงอยู่ในสุขเพลงที่เพราะฟังไปฟังไปความไพเราะก็ค่อยๆจางไปจางไปเพลงเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปจากสุขก็ค่อยกลายเป็นทุกข์ละ อิรียบ ท, ที่เราคิดว่าสบายที่สุดนะี่อิียบทไหนก็ตามพอไปอยู่ในอิเลียบนั้นนานในที่สุดมันก็จะเริ่มเมื่อยแม้แต่นอนก็นอนไม่ได้นาน9กชั่วโมงส0ชั่วโมงก็ไม่ไหวแนละ้วต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งแล้วก็สบายแต่สบายไม่นานก็กลายเป็นเมื่อยอย่างเรานั่งอยู่ในท่าขัตสมาเนี่ยก็รู้สึกเมื่อย อยาจะพิงเสาหรือพิงพนักเพราะคิดว่าสบายแต่ลองพิงไป น, น, นานๆให้ความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาความทุกข์ก็เริ่มปรากฏมันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่แสดงตัวมันก็ค่อยแสดงตัวออกมาอันนี้เรียกว่าทุกข์ที่แฝงอยู่ในสุขเมื่อมีคนชมเราสารรเสริญเราเราก็มีความปลืม้มอันนี้ก็สุข แต่ว่าถ้าเสียงสรรเสริมมันหมดไปเมื่อไหร่หรือว่าเขาไม่ชมเราไม่ถึงถึงขัานตำหนี่เพียงแค่ไม่ได้ชมวันก่อนนี่วันนึงี้ก็ชมเราแต่วันนี้ไม่ชมพอไม่ชมเราแค่นี้แหละก็เหมือนกับตกลงมาที่เคยลอยอยู่บนบนอากาศกตกลงมามันก็เจ็บยิ่งลอยสูงมากเท่าไหร่ก็เวลาตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้น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 ก็จะปล่อยใจให้เพลินไปกับสุขเคยทนาหรือว่าอิทธาลมธาลมก็คืออารมณ์ฝ่ายบวกหรือว่าที่เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมฝ่ายบวกคือได้ลาบได้ยศได้สรารเสริญหรือว่าได้สุขก็จะเพลินเมื่อเพลินแล้วก็ยังไม่ระวังตัวไม่ได้ระ ล, ลึกว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเสื่อมไปแป่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันแปลเปลี่ยนไปเสื่อมไปยิ่งก็ตกลงมาก็เจ็บและยิ่งเจอสิ่งที่ตรงข้างเข้าไปอีกคือการตำหนิการติชี้หรือว่าการลักเอาทรัพย์เอายศไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เราลองพิจารณาดูเถิดนะในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราแม้แต่ที่มันเป็นฝ่ายบวกก็ตาม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 มันกลับยิ่งคันมากขึ้นและต้องเกาให้หนักขึ้นมันติดพันทีแรกตั้งใจจะเกาเพื่อให้มันหายคันแต่การเกานั่นเองกลับทำให้คันมากขึ้นแล้วเข้าไปติดพันการเกานั้นมันจะรู้สึกมันโดยซ้ำอารมณ์ฝ่ายลบก็เหมือนกันนะทีแรกเราก็เข้าอยากจะไปผักสายมันแต่สุดท้ายก็เข้าไปทั่วพันนวนเนี่ยยิ่งอยากจะเข้าไปพักสายก็ยิ่งเข้าไปติดพันมากขึ้น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 เมื่อมันเป็นธรรมดาสุขกับทุกนี่มันเป็นของคู่กันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไปเจออนิจฐาลมก็อย่าไปสุขอย่าไปเพลิดเพลินสุขเมื่อจะ อ, อิจฉาลมไม่ว่าจะเป็นได้ลาบได้ยศหรือว่าสารเสริญหรือว่าสุขวเวทนาก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่า สาปใดที่ยังมีมืออยู่ะนะมันก็ยังมีหน้ามือและหลังมือวันยังคำ่ำถ้าไม่ชอบหลังมือแต่ถ้ายังมีมืออยู่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ในทํานองเดียวกันไม่ชอบทุกข์อยากได้สุขมันก็เป็นไปไม่ได้และที่มันยังมีทุกข์อยู่เนี่ย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 ยังมีอยู่ความสำคัญว่าตัวฉันมีอยู่คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็มีผู้สุขและผู้ทุกข์อยู่วันยังคำ่ำอันนี้ก็เป็นการรู้ทุกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจมันก็เริ่มมาจากการที่เราเห็นเห็นสุขในทุกเนีเมื่อเราเห็นสุขในทุกล้วเราก็รู้เอาสุขกอทุกข์ที่มันคู่กันเริ่มแล้วเราก็รักษาใจใเป็นปกติคือไม่สุขเมื่อมี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 เพราะว่าเห็นโลกในแง่ร้า ย, ายแต่สอนเพื่อให้เราอีกเลี่ยงจากการเป็นผู้ทุกข์แค่เห็นทุกข์เฉย